9. ทุตทุลลาโรจนะสิกขาบท 62. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้บอกอาบัตชั่วหยาบของภิกษุแก่อนุปสสมบันิณที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขี